หูเนี่ยตะบูฟังเป็นอวัยวะที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีหูมเราก็คงจะไม่ไม่ได้ยินแหละว่าพระพุทธเจ้ากล่าวเทศสอนอะไรไว้บ้างถ้าไม่มีหูไม่ได้ยินเสีย ง, อ ย, งอย่างดีที่สุดก็เอามือจับจั บ, จบดูเอเสียงมันออกมามันดังหรือมันค่อยมันช้าหรือมันเร็วมันต่ําหรือมันสูงก็รู้แค่นี้แต่จะไม่สามารถบอกได้เลยว่า เกิเป็นเสียงใครพูดอะไรมาได้ยังไงเป็นผู้ชายผู้หญิงกล่าวธรรมหรือกล่าวสิ่งใดๆหูนี่แหละทุกฟังจึงเป็นอวัยวะเริ่มต้นเลยในการที่เราจะปฏิบัติธรรมพระเจ้าอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพ้กล่าวที่เมื่อแรกตรัสรู้ใหม่ๆก็นึกถึงนี่แหละส่วนประสาทคือเรื่องของหู โสรประสาท์ใครมีโสรประสาสตแล้วก็ปลงศรัท ธ, ธาลงไปประตูสู่นิพพานอันเป็นธรรมตะเปิดรอไว้แล้วเพราะฉะนั้นหูนี่แหละทัานผู้ฟังจะนํามาซึ่งศรัท ธ, ธาได้มาได้ไงบางคนก็เข้าหูหนึ่งก็ออกไปอีกหูหนึ่ง่ธรรมะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่สามารถที่จะทรงอยู่ในใจได้แต่เราเวลาฟังธรร ม, มะใช้หูฟัง เมื่อก่อนข้อมูลก็ไม่ได้มาทางการเขียนแต่เป็นเสียงที่สั่นออกจากหลอดเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่แหละทรงมาผ่านการเวลาให้เราได้ยินข้ามน้ําข้ามทะเลผ่านการเวลามาเรามาแบบนี้เรายังได้ยินแต่แม้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใต้ต้นใจแต่ไม่ได้บอกเสียงโดยซ้ําแต่ไม่ได้เป็นเสียงแต่เป็นวาจีสังขารแต่เป็นเสียงทิพ เนี่เป็นสิ่งที่ได้บอกเอาไว้กับสามบดีพรมแต่ว่าใครมีโวตประสาทแต่คนนั้นก็โปรงสตางค์ลงไปแต่ไม่ได้เป็นคําพูดเป็นเสียงออกมาแต่เป็นวจีสังขารเป็นเสียงทิพเนี่ที่บอกกันสื่อสารกันกับสามบดีพรมเพื่อที่บอกว่าเอาละเนี่ยจะสอนธรรมะละเอาไว้ว่าแรากที่พูดถึงคือหูคือโสตประสาทคือหูเนี่ยก็เป็นช่องทางที่จะให้โสตประสาทเกิดขึ้น แต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันหรอกมันเป็นช่องทางเฉยๆแต่เวลาที่เราจะตั้งโวตประสาทในการที่เราจะรับรู้ได้ยินเสียงเนี่ยการฟังมาแล้วแต่เราก็เป็นผู้ฟังคําสอนเนี่ยก็เรียกว่าสาวกเหมือนกันคําว่าเสียงเนี่ยอยู่ในทุกที่ในคําสอนของพระเจ้าแต่ตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติก่อนจะมีศรัทธาก็ต้องมีโวตปรสะสาทศรัทธานี่ก็เป็นตัวเริ่มของการปฏิบัติด้วยมีโวตประสาท มีศรัทธาเป็นผู้ฟังคำสอนก็เป็นสาวกสาวกก็คือผู้ฟังคำสอนละคาสอนต่างๆมาในรูปของพระสูตรเป็นสุดตะสุดตันตะสุดตะนั้นก็เป็นเสียงอีกเหมือนกันสุดตะก็คือฟังนั่นเองเป็นการฟังเป็นการฟังคำสอนแล้วก็เอามาปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นคำว่าพระสูตรสุดตันตะก็ตามไม่ว่าจะเป็นคาว่าสาวกก็ตาม เลีพวกนี้มาจากเสียงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหูนี่แหละจึงเป็นอวัยวะที่สําคัญเสียงนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เราต้องฟังนะครกล่าวธรรมะอยู่ให้เงี่ยโสดค่อยลงสดับฟังธรรมะไว้แว่าสิ่งนี้มีธรรมะแฝงอยู่อย่างไรอย่างไรเป็นสิ่งที่เป็นคําสอนของพระเจ้าตรงตรงไหนข้อไหนเดี๋ยวเราฟังให้ดีเดี๋ยวฟังแล้วให้เกิดความศรัทธาศรัทธานี่แหละจะค่อยๆเติบโต ค่อยเจริญขึ้นจากการที่เราค่อยคอยฟังคอยฟังค่อยฟัง ค, อ ย, ง ค, อ, ยงคอยพิจารณาพอฟังพิจารณาไปเรื่อยๆบางคนก็จะมีศรัทธาความมีศรัทธานั้นก็มาจากเสียงนั่นคือการได้ฟังต่ำพระเจ้าพูดถึงว่าการที่มีพระตถาคตอุบัติขึ้นในโลกมีพระตถาคตอุบัติขึ้นในโลกแล้วแสดงธรรมแล้วหนังกุลบุตรกุลธิดาที่ตามมาในภายหลังได้ฟังธรรมจากตถาคต หรือว่าฟังธรรมะจากสาวกของตถาคตก็ตามเนี่ก็มีศรัทธามีความรู้สึกตัวอึ้งขึ้นมาว่าโอ้เราถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเนีถูกเสียแทงอยู่ด้วยความทุกข์เป็นความทุกข์ชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ละ่และแก้สิ่งนี้เนี่ก็เป็นไปอย่างอื่นพยายามมีทางแก้อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นทางแก้ที่โดยชอบโดยบริบูรณ์เช่นคุณมีปัญหา เรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ทำงาน เ, าเขาก็บอกว่าคุณต้องไปหาหัวหน้าคนนี้ประชบคนนั้ น, นแก้ไขแบบนี้ยัดเงินตรงนั้นแ้วมันอาจจะแก้ไปได้แต่มันก็นำปัญหาอื่นมาแ้วมันก็ไม่โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้สามารถจะแก้ปัญหาได้โดยชอบแต่พอเราฟังธรรมะใช้โสตประสาทของเราเนี่ยคอยดักคอยฟังคอยพิจารณาเราจะมีความมั่นใจที่เกิดจากบุคคลที่เขาได้เคยทามาแล้ว พระพุทาของเรานทำมาแล้วแก้ไขปัญหาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแก้ไขปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากความต้องรัดรากแก้ไขปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากการพบปะสิ่งที่ไม่น่าพอใจแก้ไขความทุกข์ที่เกิดจากการที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์เหล่าเนี้พระพุชเาเราแก้มาแล้วแก้โดยชนิดที่เรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก้ชนิดที่เรียกว่าโดยชอบ เนะ่โดยชอบคือไม่มีปัญหาอื่นที่มันจะมาตามหลอกหลอนต้องมาตามแก้แล้วแก้อีกนะี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแต่เป็นการแก้ปัญหาโดยชอบคนที่แก้ปัญหาโดยชอบได้แล้วเราเห็นประจักษ์อยู่แตนะ่เขาสอนบอกวิธีเอาไว้เขาบอกเ้าสอนวิธีการที่เขาทำเอาไว้แนตะ่คือบางคนเนี่ยเป็นตรงกันข้ามนะทุหวั ง, งคือหมายความว่าประเจ้าบอกสอนธรรมะได้เนะ่ไม่มีไม่มีความเชื่อไม่มีความมั่นใจว่าเอ๊ สมณโคดมหรือพระองค์นี้ทําได้จริงหรือเปล่ามีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในผู้สอนเดี๋ย่งเขาทําได้จริงไหมก็มาไปมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในข้อปฏิบัติในมรรคในธรรมะเฮ้ยวิธีการนี้จะถูกเหรอแต่ถ้าเห็นแยง้งเคลือบแคลงอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันกับความมั่นใจแต่นี้ถ้าบอกว่าเราไม่มีความมั่นใจจะแสดงว่าในใจเรามีความเคลือบแคลง มีความไม่ลงใจแต่ยังมีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจต้องแก่เพราะว่าความเคลือบแคลงความไม่ลงใจความเห็นแย้งเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคที่คอยเหมือนกับเป็นสนิมกัดกินใจของเราใจของเราก็จะไม่สว่างสดใสและไม่สามารถที่จะเริ่มการปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาเรื่องความเคลือบแคลงความเห็นแย áng, ้งคุณต้องปลูกศรัทธาขึ้นเราจะปลูกศรัทธาได้ใช้หูนี่แหละจำฝั ง, งเพรา ะ, ะนั้นการเริ่มต้นการปฏิบัติเนี่ย เริ่มจริงๆเลยเอา้าบางคนจะเริ่มที่ลมหายใจบางคนจะเริ่มโดยท่านั่งท่าเดินหรือวิธีการต่างๆใดๆใก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยคุณจะไปทํารู้ลมหายใจได้คุณจะไปเดินกลับไปกลับมาคือการจังกามได้คุณจะไปปฏิบัติในรูปแบบใดๆก็ตามไปอยู่วัดอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเริ่มมาก่อนจากการที่เรามีศรัทธาเราจะมีความมั่นใจมีความเชื่อความลงใจได้คุณต้องมีโสดประสาท ส่วนประสาทคือหูนะฟังแล้วให้มันได้เกิดธรรมะขึ้นในใจฟังแล้วฟังให้ดีฟังให้มีความมั่นใจเกิดขึ้นเพราะเราฟังธรรมะเอาใคร้คุ้พิจารณาตามไปให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลเห็นถึงความที่เราสามารถที่จะรู้ได้ด้วยเฉพาะตนคือเบางเรื่องบางอย่างพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยมีคนเขามีความสามารถที่เขาจะตรวจสอบได้บางเรื่องบางอย่าง สอนเอาไว้เอ้เรายังไม่สามารถตรวจสอบไดนะ้อย่างเช่นเรื่องของนรกสวรรค์อย่างนี้เป็ต้นนั่นะสวรรค์ที่มีเป็นวิมานชั้นฟ้ามีเทวดาอยู่นรกที่เป็นมีสัตว์นรกมีย ม, มาบาลมีไฟบึ้มๆอย่างงี้แตนะ่ซึ่งถ้าบอกว่าเราไม่มีความรู้หรือว่าเครื่องรู้เครื่องมือที่จะไปตรวจสอบนะสิ่งนั้นได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีความไม่ลงใจมีความคลื่นแคลนเอ้ยฉันก็ไม่เคยเห็นนะเหมือนเขาพูดถึงประเทศอังกฤษอย่างเงี้ย ไอ้คุณเคยไปประเทศอังกฤษหรืเอเปล่าแต่คุณไม่เคยไปแล้วเขาบอกว่ามันมีคุณเชื่อได้หรอเฮ้แต่บางทีเราก็เห็นคนที่เขาเคยไปมานะเออคนนั้นเขาเคยไปเขามาเล่าให้ฟังคื อ, อมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เขาเคยซื้อของข้าวของต่างมาฝากเราก็น่าจะมีแต่ก็ไม่เห็นจะมีเทวดาหรือว่าสัตว์นรกตัวไหนมาบ่งบอกข้อมูลหรือว่าซื้อของมาฝากเราอาจะมีความคิดอย่างนี้สิ่งเนี้ จ, จะเป็นสิ่งที่ยังตรวจสอบไม่ได้คือถ้าเราฟังแล้วหูมันหาเรื่องอย่างเนี้ย มันจะมีความเกลือบแคลงมีความเห็นแยง้งแต่อันไหนที่ฟังแล้ ย, ยังไม่เข้าใจให้ยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนนี่หมายความว่าอย่าเพิ่งลงใจเชื่อในะอย่าเพิ่งกัดกานแต่ให้ยกไว้ก่อนในการที่จะพร้อมที่จะทําการตรวจสอบเพราะว่าธรรมะธ้รมวังเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามารถตรวจสอบได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเชิญมาพิสูจน์แต่ถ้าเรื่องนี้นะมันมีอยู่คุณยังไม่รู้นี่เอาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาตรวจสอบแต่เรื่องไหนที่ตรวจสอบได้ เราฟังให้ดีฟังให้ดีแล้วหาการตรวจสอบพอเราตรวจสอบได้เรื่องนี้เรื่องหนึ่งอย่างเช่นว่ามีเสียงอย่างเงี้ยเสียงนี้เป็นอะไรเป็นภาษาถูกไหมพอมีภาษาแล้วจะมีความคิดนึกมีภาษาแล้วจะมีความรู้สึกมีภาษาแล้วจะมีความหมายรู้อย่างท่านผู้ฟังมีเสียงมากระทบหูเป็นเสียงอะไรนาอเฮ้ยเรารู้ว่านี่เป็นเสียงผู้ชายนี่ไอ้ความที่เรารู้ว่านี้เป็นเสียงผู้ชายนี่ยคือความหมายรู้เกิดขึ้นในใจ เอ้ามีภาษาก็มีความหมายรู้อันนี้พระเจ้าสอนไว้แนตะ่คือการหมายรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าพอมีเสียงมากระทบเราหมายรู้ว่าเอ้านี่เป็นเสียงพระเทศนี่ไอ้ความที่เรารู้ขึ้นมาว่านี่เป็นเสียงพระเทศเนี่ยอันนี้คือความหมายรู้พระเจ้าบอกไว้นะว่ามีภาษาจะมีความหมายรู้อันนี้คือเราตรวจสอบได้ทันทีเห็นได้ชัดเจนยังพร้อมกัการตรวจสอบอะไรที่เราตรวจสอบได้อะไรที่เราพิสูจน์ได้เราฟังให้ดีนะ ฟังดีแล้วตรวจสอบพิสูจน์ตรงจุดนั้นพอมีผัสสะเสียงมากระทบแล้วเราจะมีความรู้สึกแต่อาจจะเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจของเราบางครั้งก็เกิดที่กายของเราฟังแล้วเรามีความรู้สึกไหมมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในกายการที่มันมีความรู้สึกนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ทันที ธรรมะเป็นเครื่องที่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์จำวังสิ่งไหนที่ถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ให้ตรวจสอบเลยตรวจสอบแล้วเราจะมีความมั่นใจลักษณะการฟังอย่างนี้แหละการฟังเพื่อหาความเป็นเหตุเพื่อหาความเป็นผลพอเราเห็นเหตุเห็นผลการฟังตรงนี้คือการโยนิสวมนสิกันคือการทำในใจโดยแยบกายใครก้กรวนพิจารณาถึงความเป็นเหตุและเป็นผลของมันสิ่งไหนเป็นปัญหา สิ่งไหนเป็นทางดับของบัญนาสิ่งไหนเป็นเหตุสิ่งไหนเป็นทางแก่สิ่งไหนเป็นเหตุสิ่งไหนเป็นผลเราฟังให้ดูพิจารณาดูให้เห็นนเห็นได้ด้วยใจนะเห็นด้วยใจ่ผ่านทางเสียงและเป็นความรู้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราจะมีความมั่นใจมีความมั่นใจในข้อบัญญัติธรรมะมีความมั่นใจในผู้ที่สอนว่าข้อบัญญัติที่เป็นบทบัญญั ต, ติต่างๆข้อมูลต่างๆ ที่เราได้ฟังได้ทําได้ปฏิบัติถ้ามันถูกอย่างหนึ่งอ่านั้นดีแล้วนะพร้อมแก่การตรวจสอบในครั้งต่อๆไปได้อะไรที่ยังตรวจสอบไม่ได้ยกไปก่อนแล้วนะถูกอย่างหนึ่งเราก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะค่อยๆพิจารณาคิดใตร่ครวนไปเออถ้ามีศีลแล้วก็จะมีความไม่ร้อนใจอันนี้เราก็ตรวจสอบได้หรือว่าเวลาที่เราเจริญเมตตาภาวนานะนอนก็จะเป็นสุขตื่นก็จะเป็นสุขนะไม่ฝันร้าย เป็ ita, นที่รักข อ, ints, i, ของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เอาเราตรวจสอบดูนแพ้เมตตาจิตไปเป็นยังไงเหตุการณ์ใดๆเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปไหมเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะตรวจสอบได้ทันทีแล้วเราตรวจสอบไปทีละข้อทีละประเด็นคอยฟังเดี๋ยวฟังหาเรื่องนะหาเรื่องที่เราจะมาตรวจสอบได้เรื่องไหนที่มันจะเป็นเรื่องที่ยังตรวจสอบไม่ได้เอาแล้วยกไว้ก่อนให้หาธรรมะอย่างนี้ใช้หูนี่แหละฟัง ใกล้กรุดูพิจารณาเห็นเราจะมีความมั่นใจเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยเหมือนต้นไม้ที่ค่อยเติบโตขึ้นทีละเล็กเล็กน้อยเติบโตขึ้นเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายสิบปีมันก็ให้กิ่งก้านสาขาเป็นผลมีร่มเงาออกมาให้เราได้เดี๋ยวเป็นการศรัทธาที่เราค่อยๆปลูกค่อยๆทําค่อยคฟังสั่งสมมาจากการที่เราฟังพระสูตรแล้วก็ใช้หูฟัง จา ก, การที่เราเป็นผู้ฟังคำสอนเป็นสาวกเราก็ใช้หูฟังจากการที่เรามีส่วนประสาทก็คือหูของเราเริ่มตรงนี้หละนะีฟังให้ดีฟังแล้วเราจะรู้เข้าไปถึงใจว่าแม้ธรรมะที่พระเจ้าสอนออกมาบานทางเสียงของพระองค์เราได้ฟังเอาไว้เนี่ยก็ออกมาจากใจใจก็เป็นใจเดียวกันนี่แหละใจดวงนี้ท่าฟังไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นผิวดาผิวขาวไม่ได้มียากดีมีจน เป็นใจที่มีสภาพเหมือนกันเป็นใจที่รับรู้ต่ออารมณ์ต่างๆได้เดี๋ยวก็รู้ทางตาได้รู้ทางหูได้รับรู้ทางลิ้นได้คนจนก็เป็นอย่างนี้คนมั่งมีก็เป็นอย่างนี้คนผิวขาวผิวดำก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เทวดาเขาก็เป็นอย่างนี้เขาก็มีใจแบบเดียวกันนี้ไม่ได้แบ่งแยกกันว่าหญิงหรือชายแต่มันจะไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกันอย่างนี้เพราะว่าใจดวงเดียวนี้แหละที่เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวไปรับรู้สิ่งนั้นเดี๋ยวปรุงแต่งไปเป็นสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้บางทีมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปก็ควบคุมเหตุปัจจัยไม่ได้มันก็เป็นไปอย่างอื่นเดี๋ยวคิดนึกบ้างเดี๋ยวนิ่งนิ่งบ้างเดี๋ยวไปเรื่องราวต่างๆอะไรบ้างแต่เราจะควบคุมจิตใจของเราเนี่ยให้พอที่จะอยู่นิ่งๆิ่งได้ให้พอที่จะมามีสติอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เนี่ย การที่คุณจะควบคุมการการะทำตรงนี้ก็ต้องอาศัยสติพอสมควรแั่นสติคือการระลึกได้ว่าเราพยายามที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยได้รับการควบคุมในระดับที่มันจะดีๆอยู่ได้ล่ละไม่ได้ไปส่อแสหาเรื่องให้มันทุกใจทุกกายไปธรรมดาเพราะมันต้องมีสติพอสมควรคนที่จะตั้งสติขึ้นได้ด้วยกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งการที่จะมาควบคุมจิตตรงนี้เนี่ยต้องทําจริงนะ เพราะว่าถ้าทําไม่จริงทําหล่อยๆแหละมันจะไม่ได้ผ ล, ละจิตจะไม่เชื่อฟังเราจะตกอยู่ในอำนาจของจิตจิตก็จะลากเราถูลูถูกลางไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกบ้างเจอสิ่งที่น่าพอใจก็ลุ่มหลงมัวเมาเพลินเพลินไปเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็รกระยั้งเกลียดชังกระวัดิกระเวียดไปแลจิตก็จะลากเราไปทุกบ้างสุขบ้างแต่ถ้าเรามีการทราําจริงนัแนวแน่จริงในการที่จะฝึกควบคุมจิตของเรา ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้มันตั้งกันได้การทําจริงแน่ๆจริงนี่แหละเรียกว่าวิริยะคือความเปลี่ยนแต่คนมีความเพียนก็จะตั้งสติกันได้ถามว่าคุณจะมาทําจริงแน่ๆจริงได้เนี่ยคุณอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาทําจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณเจอสถานการณ์ใดเข้าสถานการณ์หนึ่งเอาละฉันจะทําเรื่องนี้ให้มันสําเร็จหรือทําให้มันได้นะไม่สําเร็จไม่เลิกพยายามทํา ทำจริงอย่างนี้จิตใจเขาต้องมีความกล้านะท่านฟังจิตใจเนี่ยต้องมีความห้าหานว่างั้นนะมีความห้าหานมีความกล้าหานมีความเด็ดเดี่ยวความเด็ดเดี่ยวความห้าหานความกล้าหันตรงเนี้คือวิริยะเพราะมันจะทําให้เกิดการทําจริงพอทําจริงแล้วเราจะมีสติตั้งมั่นได้ถามว่าใครสักคนในคนหนึ่งจะมาทําจริงจะมามีความห้าหานจะมีความกล้ามีความเด็ดเดี่ยวขึ้นมาเขาอาศัยเหตุปัจจัยอะไร คนนั้นต้องมั่นใจนะต้องมั่นใจว่าต้องทำได้ต้องมั่นใจนะนจนะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นได้ต้องมั่นใจนะว่าสิ่งนี้ต้องสำเร็จความมั่นใจเนี่ยแต่หวังคือศรัทธาความมั่นใจในวิธีการว่าวิธีการนี้สำเร็จแน่นั่นคือศรัทธาในพระธรรมความมั่นใจว่าก็มีผู้ที่ทำสำเร <Senin S 2> <Tah S 1> ็จแล้วนะมีผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วทาได้เองแล้วนั่นคือความมั่นใจ คือัทธาในพุท ธ, ธะนะความมั่นใจว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถที่จะทําตามกระบวนการขั้นตอนนี้เขาก็ต้องบรรลุได้เหมือนกันความมั่นใจตรงนี้คือความมั่นใจในการปฏิบัตินะนั่นคือ2อนัอ่นเองคือมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงค์มีความมั่นใจความมั่นใจที่เกิดขึ้นนี่จะไม่มีความห้าวหาญเด็ดเดียวมีความห้าวหาญเด็ดเดียวทําจริงแน่วแน่จริงนั่นคือวิริยะ มีศรัทธาก็มีวิริยะอะสิมีวิริยะทําจริงเด็ดเดียวห้าวหารอย่างนี้แล้วก็จะตั้งสติขึ้นได้ะจะพอที่จะควบคุมจิตไม่ให้มันไหลไปตามอํานาจของสิ่งที่มากระทบนะจิตกราดวงนี้นี่แหละไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวขึ้นขึ้ น, น, นลงๆนะมันเป็นไปตามอํานาจของสิ่งอื่นเราอยาให้มันมีอํานาจเหนือเราเราจะมีอํานาจเหนือมันได้คุณต้องทําจริงนะ ต้องห้าวหาญเข้มแข็งนะไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตห้าวหาญเข้มแข็งก็ต้องมั่นใจแต่จะมั่นใจได้อาศัยอะไรมีความมั่นใจมีศรัทธาอาศัยอะไรสวดประสาทเต็มฝังสัตว์เราได้มีสวดประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นใจว่าคนใดคนหนึ่งที่มีมือและเท้าเหมือนกันยืนอยู่บนแผ่นดินเหมือนกันด้วยเท้าสองเท้า มีตามีมหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเหมือนกันนะอายุไร่เรียกันไม่เกินร้อยปีแตนะ่ถ้าเขาทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ถ้าเขาทําให้ถึงการบรรลุซึ่งที่สุดแห่งทุกโดยชอบด้วยนะโดยชอบเราก็ต้องทําได้สิให้มีความมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์แตนะ่ไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวแตนะ่มนุษย์สักคนใดคนหนึ่งมีจิตเหมือนกันมีกายเหมือนกันเขาทําได้ทําไมเราจะทาไม่ไดนะ้ขอให้มีกลยุทธ์ที่เหมือนกันขอให้มีวิธีการที่เหมือนกัน ขอให้มีเหตุปัจจัยแบบเดียวกันนั้นะเราสร้างเหตุปัจจัยเหล่านั้นได้ไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนไม่ได้ด้วยให้ต้องให้ไกลบรรดาลไม่ได้ว่าด้วยเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้หรือมีสิ่งใดที่ต้องมาคอยบรรดาลให้เราสุขหรือให้เราทุกข์แต่เราสามารถที่จะทําความสุขหรือความทุกข์ในใจของเราให้เกิดขึ้นได้ด้วยมือของเราเองความมั่นใจที่เห็นเขาทํามาแล้วแต่ความมั่นใจที่คิดว่าเราเองก็น่าจะต้องทําได้ความมั่นใจในกระบวนการวิธีการซึ่งมันมีอยู่ตราบใดที่ยังมีมาร์กแบดอยู่ โลกนี้ไม่มีทางว่างจากพระอรหันต์แต่ใดที่เรายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แต่คนที่จะต้องรู้อริยสัจสี่ต้องมีแต่ใดที่มีคนที่มั่นใจในมัจในข้อปฏิบัติเขาจะมีความห้าวหานมีความกล้าหานมีความเด็ดเดี่ยวมีกําลังมีพลังกําลังพลังห้าวหานเด็ดเดี่ยวที่เกิดขึ้นในใจของเขาเนี่ยเนี่ยคือวิรยิยาพอมีการทําจริงแล้วอะไรมันก็สําเร็จตามฝั่งลองคิดถึงดูตัวของเราเอง นาเจออุปสรรคต่างๆมาบ้างไหมหนะมีอุปสรรคต่างๆบ้างเอาฟ่าฟันมาคุณตั้งกำลังตั้งพลังเอาไว้ไหนาะใหทำจริงไม่ย่อท้อหนาะเป็นผู้บากบันไม่ทอดทิ้งธุระในกิจการงานต่างๆหนะหันหน้าเข้าสู้แลนะมีอะไรก็แก้ไขไปหนาะการทำตรงนี้คือการทำจริงหนะไม่ย่อท้อ ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยไม่เห็นแก่ปากแก่ต้องแต่เห็นแก่ความสําเร็จเห็นแก่คุณฑำเห็นแก่ว่าจิตใจถ้ามีมีกําลังทรงตั้งเอาไว้เราจะสําเร็จได้เราเคยผ่านมาแล้วทุกท่านน่ะแหละไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เคยทําจริงไม่งั้นชีวิตมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกมันหาอะไรบางอย่างเคยเจอประสบการณ์ต่างๆนานาแต่คุณผ่านความทุกข์บ้างความสุขบ้างต้องมีสุขบ้างทุกข์บ้างที่มีนั่นแหละแต่ถ้าบอกว่าจิตเราไม่มีกําลังเราแตกไปแล้วเราบ้าไปแล้ว เราจะมาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเลยแต่อย่างน้อยชีวิตที่เราผ่านมานี้นะเราเจอสุขบ้างทุกบ้างนั่นแหละคือการที่เรารู้แล้วล่นะว่าความทุกข์มันมีความทุกข์ในธรรมวัฏสงฆ์เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดศรัทธาได้นะคนที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยทางออกหนึ่งในสองทางของความทุกข์นั้นคือจะสแสวงหาว่าจะมีใครนาะรู้ทางที่จะทําความดับแห่งความทุกข์นี้ได้สักหนึ่ง หรือสองวิธีคนนั้นมีอยู่คํามสอนของเขายัางมีอยู่แต่คนที่มีความทุกข์ถูกต้องนี่แหละจะทําสไตล์เกิดขึ้นได้สตัตยานี่แหละอาศัยความทุกข์นี่แหละเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความทุกข์ไม่รู้ว่าปัญหาชีวิตมันมีอะไรเราจะไม่มีความมั่นใจที่จะรู้ถึงทางแก่ได้อย่างไรคนไม่เห็นปัญหาแก่ไม่ได้แต่คนที่เห็นปัญหาคนที่รู้ปัญหาน่ยพอที่จะมีความมั่นใจในทางออกซึ่งแม้แต่บางทีเราก็ยังทําไม่ได้แต่่เรารู้ปัญหาแล้ว เห็นแล้วว่าคนนี้เขาแก้ได้แล้วตรงนั้นแหละจะเป็นที่ทําให้ศรัทธาเกิดขึ้นได้ตรงนั้นแหละจะเป็นที่ทําให้เกิดความมั่นใจเกิดขึ้นได้เขาแก้ได้แล้วนี่เอ้ยเออใช่แฮะนั้นมันสร้างความมั่นใจเกินได้สร้างศรัทธาเกินได้ศรัทธาที่เกิดขึ้นความมั่นใจที่เกิดขึ้นก็อาศัยความทุกข์นั่นแหละเป็นเหตุเจอความทุกข์เนี่ยธรรมวังยกมือไหว้เลยมันดีเต็มที่แล้วเพราะว่ามันจะทำศรัทธาของเราให้ตั้งอยู่ได้ผู้ใดที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วน ทางออกภายนอกสักหนึ่งหรือสองวิธีที่จะดับความทุกนี้มื่เจอคําสอนของพุท ธ, ธะจะเกิดความมั่นใจพอมีความมั่นใจแล้วเนะีจิตใจมันจะมีความห้าวหาญกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความมั่นใจแลนะมีกําลังมีพลังนั่นคือวิริยะมีกําลังมีพลังแล้วก็ไปทำเนะี่สติจะเกิดขึ้นได้มีสติสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมค่อยลดลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมค่อยๆเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มขึ้นแนะก็ตรงนี้จะเป็นความอิ่มเ อ, อิบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นในใจของเรา แต่มันเริ่มมีความทุกข์น้อยลงความสุขมากขึ้นเริ่มมีอกุศลธรรมน้อยลงกุศลธรรมมากขึ้นความอิ่มเอิบใจมีมากขึ้นปีติมีมากขึ้นก็มีความสุขในภายในบุคคลที่มีความสุขในภายในกายก็ระงับจิตก็ระงับบุคคลที่มีกายระงับจิตระงับตามฝังเขาจะสามารถที่จะเห็นความสุขในภายในได้ไอความสุขที่จิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งมันเอาไว้นี่แหล ะ, ะเรียกว่าเป็นสมาธิ ไอคนที่มีสมาธิแบบนี้มีอารมณ์เดียมีจิตตั้งมั่นไว้แล้วเนี่ยก็สามารถจะแยกแยะเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นไม่ไหลเข้าไปตามสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองปรารถนาไม่ขยะกขยงเกลียชังในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนาแต่เป็นผู้ที่เห็นสิ่งนั้นอยู่ตามที่เป็นจริงบุคคลที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงได้ เ, เขาก็จะมีความฉลาดมีปัญญาเกิดขึ้นแต่ฉลาดมีปัญญาอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่า แม้สิ่งอื่นๆที่มันจะดีดีแสนดีแล้วก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาพอเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อ ย, อยๆที่จริงเราจะมีความหน่าด้วยความหนายในสิ่งที่มันไม่เที่ยงนั่นแห ล, ละเพราะว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันไม่มีค่าเลยพอที่เราจะไปยึดถื อ, อไว้พอมีความหน่ายแล้วก็จะคลายกำนัดเกิดขึ้นพอคลายกำนัดไม่ได้ยึดถือไม่ได้จับต้องสภาวะตรงนั้นก็เรียกว่าความหลุดพ้นหลุดออกแล้วจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไอ้จิตที่หลุดออกจากอารมณ์ต่างๆไม่ไปคล้องแวะ จะรับรู้อยู่รู้สึกอยู่แต่ก็เป็นคนละส่วนกันไปเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับน้ําที่อยู่บนใบบัวแต่ ว, ว่ามันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่มันก็แยกกันไปไม่ได้คล้องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันสภาวะที่เป็นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นวิมุตติความหลุดพน้นความที่ไม่คล้องกันผู้ที่รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนี่แคือความรู้ความรู้ที่เกิดขึ้นนี้จะทําให้ความมืดดับไปจะทำให้อวิชญ์ดับไป ความรู้นี้ก็คือวิชาหนึ่งเมื่อวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปอวิชาดับไปแล้วก็จะไม่หจิตใจนั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบแต่พอไม่มีการปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบแล้วจิตนั้นก็ไม่ต้องไปรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกโดยความเป็นทุกข์อีกต่อไปแต่ไม่ต้องไปรับรู้ทางตาทางหูนะเพราะมันหลุดพ้นกันไปแล้วรับรู้อยู่แต่ว่าไม่เกลื้อกล้วไม่ไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนบุคคลที่เป็นอย่างนี้ก็อาศัยหูนี่แหละ เริ่มจากหูนี่แหละเริ่มจากการที่เราฟังสิ่งต่างๆนะให้ปลูกศรัทธาลงไปสิ่งไหนตรวจสอบได้เข้าใจได้เราค่อยๆเติมค่อยเสริมตรงนั้นสิ่งไหนที่ยังตรวจสอบไม่ได้อย่าให้มีความเคลือบแคลงอย่าให้มีความไม่ลงใจแต่ยกออกไว้ก่อนนะยกเอาไว้พร้อมเพื่อที่ทาการตรวจสอบนะห้มีความระมัดระวังให้มีสติตั้งเอาไว้แนละ้วเราจะทําพลังใจกําลังใจการทําจริงแน่ๆจริงในใจของเราให้เกิดขึ้นได้ แล้วเวลาที่เราปฏิบัติเราทําไปอย่างนี้และทำฝังใครก็ตามที่อยู่ในเส้นทางที่เราปฏิบัติไปด้วยใครก็ตามที่เราพอจะบอกได้ชักชวนได้ก็ชักชวนเชิญ ช, ว น, ชวนให้เขามารู้เรื่องราวของเรียสสติเชิญชวนให้เขามาปฏิบัติดมทางเชิญชวนให้เขาที่จะมารู้คําสอนของพุทธะเพราะว่าถ้าเขาพยายามที่จะมารู้คําสอนของพุทธะพุทธะพุทโธคือความเป็นผู้รู้จะเกิดขึ้นในใจของเขาได้จะเกิดขึ้นในใจของเราได้ พอมันเกิดขึ้ล้มันก็แจ่มจัดหลั่งตะบงแต่ความรู้เกิดขึ้นอวิชชาดับไปสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้ามองเรื่องคล่องเรื่องกังวลต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะมาเคลือบคล้วนในใจของเราได้สภาวะนี่แหละตะบั ง, บงเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้สงบผู้สงบในภาษาบาลีเขาเรียกเปล่าสมณะเป็นผู้ที่กําจัดกิเลสนั่นก็คือภิกษุภิกขุเนี่ยมาจากพระธาตุคือการตีการกําจัดนั่นก็คือผู้กําจัดกิเลส คือภ oh, what ิกษ e i mean ุหรือว่าจะเรียกว่าเป็นผู้ลอยบาปก็ได้ผู้ลอยบาปก็คือปรามเพราะฉะน้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะไม่ได้ขัดแย้งกับใครหรอกเป็นสิ่งที่จะลงกันเข้ากันได้ใครกล่าวเรื่องของที่ไม่เที่ยงพระเจ้าก็รับรองว่าของที่ไม่เที่ยงนั้นมีอยู่ใครกล่าวเรื่องของที่เที่ยงแท้ต่างๆว่าไม่มีพระเจ้าก็รับรองว่าของที่เที่ยงแท้ต่างๆนั้นไม่มีก็กล่าวตามกันแต่ไม่มีพนากับใครทั้งสิ้นคนที่ปฏิบัติธรรมดำวัง เขไม่โต้แย้งกับใครหรอกไม่กล่าวหาใครโวหารใดที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกแล้วก็กล่าวโวหารนั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอะไรอยู่โวหารที่เรารับรู้รับทราบได้ก็ผ่านทางหูนี่แหละข้าพเจ้าพระมหาภัยบณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายศกเจเรียนพน